คนรุ่นใหม่สมัยนีอ้อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหลวงปู่บุตดาเท ว, วโรนะเพราะว่าท่านมารณาภาพไปย0สบกว่าปีแล้วตอนที่มรณาภาพก็อายุหนึ่งรหนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นพระที่มีอายุยืนนานมากท่านเป็นพระแบบโบราณมีเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็ ก็เชื่อว่าท่านก็ได้เข้าถึงธรรมะขั้นสูงแต่ว่าดูจากภายนอกท่านก็เหมือนกนหลวงปู่หลวงตาธรรมดามีครา้นึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปไปเทศธรร ม, มาทคู่นะอีกรูปหนึ่งก็เป็นพระราชาคณะนะเป็นพระมหาป ร, ริยนันพระรุมนี้เป็นพระหนุ่มเห็นหลวงปู่วดดาก็นึกว่าเป็นพระหลวงตาธรรมดา ในใจก็นึกนดึกดูถูกกันนะว่าจะมีภูมิรู้แค่ไหนนะจะมาเทศนะกับตนเองซึ่งเป็นเจ้าคุณนะแล้วก็มีความรู้สูงนะด้านประยตะิธรรมเส่หลวงปูป่บุญดาก็เลยถามว่าหลวงปู่จะวันนี้จะเทศเรื่องอะไรท่านก็ตอบว่าเทศเรื่องตัวโกรธนะเทศเรื่องกิเลสตัณหา พาลุมนั่นก็เลยซักว่าเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะท่านเลยต อ, ต, อ <c oughs> ตอบว่าส้นตีนนะตอบว่าส้นตีนนะเพราะนั้นโกรธเลยนะไม่พูดไม่จาเลยนะแล้วก็ตกลงว่าวันนั้นก็เลยไม่ขึ้นเทศหลวงปู่ท่านก็เลยเทศคนเดียวเทศเสร็จลงจากธรรมบาท่านก็ไปขอขามาท่านจะขคุณรูปนั้นนะซึ่งก็อายุน้อยกว่าท่านมาก แล้วก็บอกว่านี่แหละตัวโกมันเป็นอย่างนี้แหละนะหน้าแดงๆนะตัวร้อนๆนะตัวโกนี่มันพอเกิดขึ้นแล้วนี่มันสู้ใครไม่ได้หรอกนะจะเทศก็เทศไม่ได้นะมันขอแข็งหมดนะแล้วก็ขอขมานะว่าเนี่ยที่ต้องอพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะได้รู้จักนะว่า ไอ้ความโกรธมันเป็นยังไงเพราะท่านถามเองเนี่ยว้าตัวโกรธเป็นยังไงเนี่ยคนเราจะรู้จักความโกรธได้เนี่มันต้องเจอด้วยตัวเองนะไอ้สิ่งที่พูดมามันก็ไม่ใช่ความโกรธอย่างแท้จริงไอ้เมื่อโกรธเมื่อเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะถ้าเราเข้าไปเป็นผู้โกรธเนี่ยมันก็จะไม่เห็นความโกรธหรือไม่รู้จักความโกรธอย่างแท้จริงนะมันจะรู้จักความโกรธนี่มันต้องออกมาจากความโกรธ เห็นความโกรธนะไม่มีความโกรธเลยก็ไม่รู้จักความโกรธแต่มีความโกรธแล้วเข้าไปเป็นนะมันก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะ <c oughs> มันต้องเห็นนะถ้าเข้าไปในความโกรธก็เหมือนกับเราอยู่ในศาลานี่นะมันก็ไม่เห็นหรอกศาลานี้หน้าตาเป็นยังไงเราจะรู้จักศาลานี้ได้เนี่ยถ้าเราออกมาจากศาลาเนี่ยออกมาเดิน หรืมายืนอยู่ไกลๆก็จะรู้ว่าอ๋อศาลานี้มันมีสองชั้นน ะ, ะหลังคาเป็นรูปทรงจัว่วอย่างเงี้ยนะอันนี้เราว่าเราจะเห็นศาลานี้ชัดเจนก็ต้องออกมาจากศาลาเนี้ยนะถ้าเข้าไปอยู่ข้างในก็ไม่เห็นไม่รู้จักความโกรธก็เหมือนกันนะเราจะรู้จักความโกรธได้ก็ต้องอย่างแรกคือต้องเกิดให้เราเห็นก่อนแต่ก็ต้องเห็นจริงๆนะไม่ใช่เข้าไปเป็นหลง บูบุดานี่ท่านก็จะว่าไปท่านไม่ใช่เพียงแค่สอนให้คนรู้จักความโกรธนะตัวท่านเองก็รู้จักดีแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้ท่านเราว่าเนี่ยตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็เป็นคนที่โกรธมากนะตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาคนหนุ่มแต่ว่าท่านก็พยายามเอาชนะมันท่านมีวิธีนะเอาชนะความโกรธ เวลาโกรธเนี่ยนะท่านจะไหว้พระเนจะ้าโกรธหนึ่งครั้งก็จะไหว้สามครั้งนะโกรธสองครั้งก็ไหว้พระหกครั้งนะโกรธร้อยครั้งก็ไหว้สามร้อยครั้งเลยคือเอาจนกระทั่งมันมันไม่อยากจะโกรธแล้วนะเพราะว่า เ, าเบื่อที่จะไหว้พระมักเบื่อที่จะกราบพระหรือเพราะว่ า, อาไอ้การที่กราบบ่อยๆก็ทำให้มีสติรู้ทันนะความโกรธ มันปกติเวลาโกรธเนี่ยนะมันจะไม่คิดเรื่องการกราบพระนะคิดแต่ว่าจะทําสิ่งตรงข้ามก็คือจะด่านะหรือว่าจะทําร้ายคนอื่นได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยแม่จะเป็นชาวพุทธแม่จะประกาศตัวว่านับถือพระรัตนตรัยเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นึกถึงพระผู้เป็นธรรมพระสงฆ์แลนึกถึงแต่ว่ากูจะด่ามันยังไงดีกูจะแก้แค่มันยังไงดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานึก นะว่าเอาโอโกรธแล้วนี่ต้องกราบพระนะการนึกและทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้รู้ทันความโกรธได้ไวขึ้นอย่าง น, น้อยๆไอ้ความคิดที่จะไปดา่าไปทํำร้ายเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะว่าได้สร้างนิสัยใหม่คือหันมากราบพระนะหันมากราบกราบจริงๆนะนะอันนี้มันเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับจิตใจนะยิ่งโกรธ บ, บ่อยๆกราบพระ บ, บ, บ่อยๆเนี่ยนะ ไอ้ใจที่มันจะส่งออกนอกเพื่อที่จะไปตอบโต้แก้แค้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะมาเป็นการกราบพระเพื่อทำให้ใจสงบนะเราลองนะทำแบบนี้ดูก็ได้นะหรือไม่ฉะนั้นก็ น, นึกถึงพระในใจก็ได้กราบพระในใจนึกภาวนาพุทธโธก็ได้นะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งน ไม่ใช่เป็นที่พึ่งในความหมายคือกราบไหว้นะแต่เอามาใช้ระ ง, งับความโกรธเอามาใช้กิเลสตัณหาเวลามันเผาหลนจิตใจเวลามันบีบคั้นจิตใจก็เอานึกถึงนะอันนี้ถึงเลือดจะเรีย ก, เ, ยกเป็นชาวพุทธนะถึงจะเรียกว่ามีพระตนัดไตรนะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนะบางคนอาจารย์บรรลท่านก็มีวิธีการจัดการความโกรธแปลกๆนะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นพระ รุ่นเดียวกับหลวงปวู่วดดาแต่ว่าอายุไม่ยืนเท่าอายุท่านแค่60ก็มรณภาพแล้วท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเคยเล่าว่าตอนเป็นพระหนุ่มเนี่ยเคยไปเรียนหนังสือกับพระรูปหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยพระเราเนี่ยจะเรียนหนังสือได้เนี่ยไม่ใช่ว่ า, าไปเข้าโรงเรียนนะมันไม่มีโรงเรียนนะต้องไปอยู่วัดหรืออยู่สำนักเดียวกับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ได้ แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านไปหาเนี่ยก็คือหลวงพ่อจีนนะหลวงพ่อจีนชาวอยุธยาวัดเจ้าเจ็ดนะท่านสอนหนังสือเก่งแต่ว่าเป็นคนที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนดุร้ายนะโกรธง่ายนะเวลาลูกศิษย์เนี่ยซึ่งก็คือพระหรือเ น, เนี่ยนะตอบไม่ถูกนะหรือไม่ถูกใจท่านนี่ท่านก็ประเภทว่าตบเลยนะท่าเป็นคนปากว่ามือถึง ตบอบกัเลยนะแล้วท่านก็รู้ตัวนะว่าแบบนี้มันไม่ดีนะเป็นพระนี่สอนเรื่องละโลภโกรธหลงนะแต่ว่ามาแสดงความโกรธท่านก็พยายามหาทางแก้แต่แก้เท่าไหร่ก็ยังห้ามใจไม่ได้นะอันนี้มันก็ตรงกับสำนวนที่ว่าดีชั่วลุ้หมดแต่อดใจไม่ได้นะรู้ว่าโกรธไม่ดีนะแต่ห้ามใจไม่ได้แล้วท่านทำยังไงรู้ไหม เวลาท่านสอนหนังสือเนี่ยนะท่านจะเข้าไปสอนในกรงเหล็กนะมีกรงเหล็กอยู่หน้าอยู่หน้ า, อ, าอยู่ในศาลาหน้าห้อง เ, เวลาจะสอนจะสอนหนังสือท่านจะเข้าไปในกรงเหล็กแล้วก็ปิดล็อกให้ลูกศิษย์ถือกุญแจไว้แล้วท่านก็สอนในกรงนะเวลาลูกศิษย์เนี่ยตอบไม่ถูกนะหรือว่าขี้เกียจไม่เอาใจใส่สับปะงกนี่ท่านจะโกรธมาก ถ้าห้ามไม่อยู่นี่ะท่านจะโกรธอย่างหนักนะบางทีถึงโกรธขนาดจับลูกกรงเนี่ยเขย่าเลยนะนึกถึงกอริลลาวะเนี่ยกอริลลาเขย่าอย่างนี้แต่ตัวท่านผอมนะท่านก็เขย่ากรงเนี่ยนะเขย่ากรงด้วยความโกรธนะห้ามใจไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยห้าไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปทํำร้ายลูกศิษย์ได้ด้วยการขังตัวเองไว้ในกรงนะลูกศิษย์ก็ยินยอมอยู่แล้วนะพอถ้าลูกศิษย์ไม่ทําตามนี่ก็เจ็บตัว อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการนะแ ป, แปลกๆนะของหลวงพ่อจีนนะซึ่งก็อย่างน้อยท่านก็รู้ว่าโกรธมันไม่ดีนะแล้วโกรธทีไรมีเรื่องทุกทีท่านก็เลยหาทางพยายามกั้นนะปิดกั้นโอกาสอันนี้ก็เป็นวิธีที่พวกเราจะไปใช้ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องพลิกแพลงหน่อยหลายคนเนี่ยมีความมีความอยากนะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งมากชอบซื้อของมากชอบเข้าห้าง เห็นของเขาโฆษณาเป็นไม่ได้นะสมัยนี้มันไม่ได้โฆษณาตามโทรทัศน์มันโฆษณาตามออนไลน์ด้วยเห็นแล้วก็อยากได้แล้วสมัยนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเข้าห้างแล้วนะซื้อของทางอินเทอร์เน็ตได้เลยก็เพียงแค่มีเครดิตการ์ดนะบัตรเครดิตแล้วผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ซื้อเยอะมากจนกระทั่ง เป็นหนี้นะเป็นหนี้ใช้เงินจนครบวงเงินในบัตรเครดิตแล้วไม่มีเงินจ่ายก็ไปไปสมัครนะบัตรเครดิตใหม่ฝนะรั่งนี่มีบัตรเครดิตนี่บางคนเนี่ยสิบกว่าใบยี่สิบใบนะไอ้ที่มีเยอะเพราะว่าใบาหนึ่งหมดก็ไปไปไปขอบัตรใหม่นะขอวงเงินใหม่แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายเป็นหนี้เนี่ยเรียกว่าหนี้ล้นพ้นตัวเลย แต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้วิธีแก้ก็ทํายังไงนะก็บัตรเครดิตเนี่ยใส่ไว้ในน้ําแก้วน้ําแล้วก็เอาแก้วน้ำที่เรเติมน้ำนะให้เต็มให้เต็มแก้วแล้วก็เอาแก้วน้ําเนี่ยพร้อมบัตรเครดิตเนี่ยใส่เข้าไปในตู้เย็นฟรีเซอร์นะตู้น้ําแข็งนะให้มันแข็งเลยนะเพื่ออะไรนะเพื่อว่าเวลาเห็นของอยากจะซื้อนะอยากจะเข้าห้างหรือว่าอยากจะสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ย มันก็ต้องใช้บัตรเครดิตใช่ไหมแต่ว่าเอาบัตรเครดิตออกมาไม่ได้เพราะมันติดน้ําแข็งนะต้องรอให้น้ําแข็งละลายก่อนนะกว่าน้ําแข็งจะละลายก็10นาที15นาทีนะถึงจะใช้บัตรเครดิตได้ถึงตอนนั้นความอยากก็ลดลงแล้วนะจะไปจะไปเอาบัตรเครดิตไปไปละลายในตู้ไมโครเวฟก็ไม่ได้นะมาละลายเร็วจริงแต่ว่าบัตรเครดิตก็จะเสียหายด้วยเพราะมันเป็นพลาสติกนะ น, นี่เป็นวิธีนะคล้ายๆหลวงพ่อจีนนคือว่าห้ามใจไม่ได้แต่ว่าก็ห้ามพฤติกรรมนะทำให้ไม่สามารถจะทำตามความโลภได้ได้สะดวกสบายหรือว่าได้รวดเร็วกว่าจะบัตรเครดิตใช้การได้ก็ความอยากก็หายไปแล้วหรืออย่างหลวงพ่อจีนท่านห้ามความโกรธไม่ได้นะแต่ว่าก็ห้ามห้ามการกระทํำนะ หรือห้าพฤติกรรมได้นะด้วยการเอาตัวเข้าไปขังอยู่ในในกรงนะแต่ว่าถ้าดีเนี่ยนะพยายามห้ามใจทุกวันนะทำอย่างที่หลวงพอ่อหลวงปู่บุตาธรรมก็ได้กราบพระทุกครั้งโกรธทุกครั้งก็กราบพระทุกครั้งหรือว่าถ้าไม่มีไม่สะดวกไม่ถนัดก็ใช้วิธีปรับตัวเองก็ได้ถ้าโกรธทีไรก็บริจาคเงินนะร้อยบาทโกรธหนึ่งครั้งก็100โกรธ2ครั้งก็200โกรธ3ครั้งก็300นะ หรือไม่ก็เอาเงินนั้นไปเอาไปเลี้ยงเพื่อนก็ได้นะนะก็ทําให้เกิดความสมัครครีเกิดความกบเกี่ยวกันตัวเองก็ได้กินด้วยนะถ้าไปบริจาคตัวเองไม่ได้เลยนะแต่ว่าเอาไปเลี้ยงเพื่อนเอาไปสังสรรค์กันก็เรียกว่ า, าตัวเองก็ได้ได้ไประโยชน์จากเงินนะที่ถูกปรับด้วยเพื่อนก็ชอบด้วยเพื่อนก็จะบอกเออโกรธบ่อยๆนะได <laughs> ้ได้ <laughs> มีเลี้ยงนะเพื่อนจะได้ให้อภัยนะโกรธปวด บ, บ่อยๆแต่ว่า ก็มีการเลี้ยงกันนะก็ถือว่าให้อภัยได้นแะล้วลองปรับตัวเองดูก็ได้นะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้อะไรเตรียมรับพร